สุภาวารยี่สิแปดกรกฎาคมาบรรจบราชมงคลน้อมนบพระสงศี์ด้วยเสียงกล่าวพร้อมกันอัญชุลีเทิดพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษา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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMU t t News ปิดข่าวเด็นนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับผมเดียวที่เด่นงามโดยเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนะครับที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับข้าฝั่งระหว่างฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนครข้าไปข้ามมาอยู่แล้วก็มาสำรวจเส้นทางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียง เป็นเสียนะครับที่ผมอยู่บนเรือนะฮะแล้วก็กําลังที่จะเข้าหาฝั่งลองดูมาระหว่บงเส้นทางครับพบว่ามีบรรดานะครับนักท่องเที่ยวเปอรจําอร์เบียนครับที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราพอสมควรครับทางทางด้นี้นะครับชาวจีนนะฮะต่างชาตินะครัที่เราเห็นชัดๆก็เป็นอย่างรัสเซียเยอรมนีอะไรแบบนี้นะฮะที่ที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ เมือนไทยเป็นพิเศษนี่นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะคือเราได้พบเห็นนะครับว่าการคำนวณของของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้คนระระหว่างที่ผมจะมานั่งเรือเนี่ยฮะคุณฝั่งฮะก็พบว่าเส้นทางหนึ่งที่ผมจะมานั่งเรือเนี่ยครับเขามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะแม้ว่ายังไม่เสร็จก็ตามแต่เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับว่า มีการก่อสร้างไปพอสมควรละความคื้นหน้าเนี่ยถือว่าพอสมควรอาจจะเรียกได้ว่าประมาณสัก 30-40% เอร์ซลยก็ว่าได้นี่นะฮะแล้วหลังจากที่เดินทางมาสำรวจนะฮะคุณผู้ฟังครับก็ได้พบนะครับว่ามีเป็นพานใบสีพานใบสียักษ์ที่ตั้งตระานอยู่ที่ ห้างแห่งหนึ่งนะครับเป็นห้างดังที่อยู่วัดริมฝั่งเจ้าพญานีครับมีการจัดงานต่างๆนานาซึ่งคุณฟังเองอาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีการจัดงานการแสดงอย่างยิ่งใหญ่มีการโชว์ผลงานเรื่องของผพานต่างๆนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเพิ่ะเกียรติในหลวงราชการที่ศษของรนั่นเองนะครับนี้ในระหว่างนี้เองนะครับผมก็จะเล่าข่าวอยู่ไปด้วยแต่หากว่ามี มีประเด็นเกี่ยวกับการแสดงที่เกิดขึ้นนะฮะผมก็คงจะให้ได้ยินเสียงการจัดงานในครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยวันนี้น ะ, ะเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องอื่นกันก่อนแล้วกันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากจะนํามาเตือนภัยกันนะฮะว่าเป็นเหตุเศร้าสลดอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้นะฮะไปเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับเรื่องใต้ตัวนี้ไปเกิดขึ้นกับเด็กเด็กตัวนี้น้องนะครับดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาลืมมาวันนี้รถ ปรากฏว่าลืมไว้8ชั่วโมงครคุณผู้ฟังเนะลืมไว้8ดชั่วโมงนเนีฮะลองคิดดูครับให้จินตนาการดูว่าเตาอบนะฮะเวลาที่เราจะนำเอาหุงอาหารแล้วเข้าเตาอบเนี่ยแป๊บเดียวนะมันก็จะสุกละเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราไปลืมเด็กไว้ในรถฮะมันก็เหมือนเตาอบดีๆนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับทําให้เด็กนั้นที่อยู่ในรถเสียชีวิตครับเป็นการนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะ ถามว่าในเมืองไทยของเราเนี่เคยเกิดขึ้นบ้างไหมเกิดขึ้นครับเมืองไทยเรานี่ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยบ่อยเลยเคยเกิดขึ้นกับรถตู้บางทีเนี่ยคุณแม่นะเข้าใจว่าโอ้แ ป, ป๊บเดียวนะเอาลูกไว้แ ป, ป๊บเดียวในรถรัวลูกร้อนเปิดแอร์บ้างไม่เปิดแอร์บ้างไว้อย่างนี้นะพอไว้ในรถเสร็จปุ๊บรถมันล็อกเองเพราะปัจจุบันเนี่ยคือว่ารถรุ่น ล่าสุดเลเป็นรถที่มีความทันสมัยครับบางทีมันก็ล็อกอัตโนมัติพอคนขับเนี่ยออกจากรถไปครับมันก็ล็อกเลย น, นี่นะครับจึงต้องนำมาเตือนภัยกันเพราะว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่นรส่วนวิธีการป้องกั น, นยังไงฮะเราต้องมีการฝึกสอนครับสอนแด่ บรรดาครูอาจารย์ที่ว่าไปส่งเด็กจักเรียนไปรับเด็กจัเรียนเมื่อไปรับเด็กมาแล้วไปส่งที่โรงเรียนแล้วเนี่ยนะครคุณผู้ฟังฮงนะต้องทําไงฮะต้องมีการเช็คชื่อครับเช็คชื่อเด็กทั้งขึ้นและลงด้วยนะครับว่าขึ้นไปแล้วตอนลงนั้นเป็นอย่างไรนะครบไหมที่สําคัญครับต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยยังไงฮะทีเด็กตัว น, น้อยเด็กอุดาล น, นีครัเราสามารถฝึกเขาได้ฝึกด้วยกันอย่างก็คือว่าให้เขา ไปปฏิบัติภารกิจแบบจริงๆเลยรอให้เขาลองติดอยู่ในรถดูแล้วก็ต้องชี้แนะเขาครับเด็งอยู่นี่เดียรู้ได้ไม่ยากครับนะฮะเช่นพอเขาว่านี่รถใช่ไหมเราก็ให้เขาลองเปิดประตูดูนะหรือว่านอกจากเปิดประตูแล้วเนี่ยให้ลองกดแตรดูนะครับกดกดปิ้นปิ้น ป, นป้นดังๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะพอช่วยได้นะครับให้เด็กเนี่ยเอาตัวรอดได้ก็ติ ผมได้ติดตามข่าวมาพอสมควรนะครับบางทีเรื่องเราต่างๆแบบนี้ผมก็เอาไปสอนกับหลานของนะวิธีการเอาตัวรอดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากครัพอเราเห็นหลานสาวมีการปฏิบัติตามแล้วนะครับก็พบว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ผลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ใช่จูจูเนี่ยคือผมก็นํามาเล่าเท่านั้นนะคือเราเนี่ยต้องนําไปปฏิบัติจริงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ครับก็เอามาเตือนภยัยกันมีเรื่องความคืบหน้าครับที่เกี่ยวกับการปล้นปั๊มนี่ยนะไปเกิดเหตุการณ์นะครับว่ามีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งเข้าไปในปัม๊มแล้วใช้อาวุธปืนนะครับจ่อยิงที่ศีรษะของเด็กความจึงสียชีวิตเพื่อที่จะขโมยเงินนี่ภาพวงจรปิดครับตอนนี้ถูกเผยแพร่ไปแล้วนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยนาทีของผู้ก่อเหตุเป็นชายหนุ่ม ขี่รถจักรยานยนต์ครับก็มาในคัามแก๊ส LPG แล้วก็ชักอาวุธปืนสั้นนะครับจ่อยิงเข้าที่ศีรษะของพนักงานฟัมน้ำมันขณะที่นั่งหลับบนเก้าอี้ใกล้กับตู้เติมแกส๊สจนล้มฟุบและก็เสียชีวิตขาที่เลยนะครับผู้ก่อเหตุนะในภาพเี่ที่ผมเห็นอยู่ก็คือว่าลงมาจากพดเลยแล้วก็ดึงกระชากเอากระเป๋าสะพายเงินที่คล้องคออยู่แล้วก็ขับขี่รถหลบหนีไป โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา21่ส็นกนยาครับวันที่2ี่สกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคนนะครับมาพบศพในช่วงเช้าวันต่อมาเนี่เหตุการณ์นี้นะครับร้อยตำรวจเอกอนุวัตรรัตนจีนะร้อยเวนสอบ่อปทุมชัยได้รับแจ้งเขียนนะครับว่ามีคนใช้ปืนยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตภายในปัม๊มแก๊สนะครับแห่งหนึ่งพื้นที่ราชสีมากรบิบุรีแยกเขื่อนลําพระเพลิงบ้านน้ําทิพย์หมู่แปดตำบล น, นกออก อำเภอปากองไชยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับตำรวจก็ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับก็พบว่าที่กวาีนั่งพักของบรราการเนี่ยไปพบศพของนายหมู่โรดอายุ26ปีครับสัญชาติกัมพูชาถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบกระดดครับเข้าที่กลางทยถอยร่างคือฟุบ ก, กับโต๊ะจนเสียชีวิตแล้วก็จากการตรวจสอบวงจรปิดของปั๊มพบว่าผู้ก่อเหตุ หคนครับได้ขับขี่รถจักรยานยนตมาที่ด้านหลังจากนั้นนี่คือว่าได้ใช้วุ้ปืนพกสั้นนะครับยิงผู้ตายขณะที่ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานจนเสียชีวิตจากนั้นนี่คือว่าผู้ก่อเหตุก็ได้ลงจับรถจัก ร, กรยานยนต์แล้วก็จับผู้ตายหงายท้องก่อนที่จะมีการร่อนเอากระเป๋าสะพายข้างที่ผู้ตายเนี่ยเก็บจากลูกค้าที่มาเติมแก๊สแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปการตรวจสอบเนี่ยทาบว่าที่เกิดเหตุได้นะครับมีนายโมโรด เป็นไปด้วการปั๊มเข้ากับดิบทํางานอยู่ลําพานครับขณะนั้นคือว่านั่งเผลอหลับอยู่บนเก้าอี้มีผู้ก่อเหตุ น, นะครับเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ 20-30 ปีครับสวมเสื้อยืดตังเกงขาสั้นรองเท้าแตะคือว่าย่องเข็นรถจักรยานยนตเนี่ยดับเครื่องเข้ามาในปัม๊มแล้วก็จอดรอดูร้านเ่าอยู่ประมาณ2อนาทีครับเพรเห็นมาตรการปั๊มเนี่ยนั่งหลับอยู่หันหลังครับคือว่าให้มือปืนนะฮะตอนนั้นเนี่โดยที่ไม่รู้เนืรู้ตัวเลย เมื่อมือปืนสบโอกาสครับไม่มีคนเห็นจึงได้ใช้อาวุธปืนนะครับที่พกติดตัวมาจาะยิงในระยะแบบ2เมตรเลยก็สุดนี่คือว่าเจาะเข้าไปที่ท้ายถอยครับจนนายโมโร่เนี่ยล้มฟุบกองกับพื้นและเสียชีวิตขายที่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุนะครับจะมากระชากกระเป๋าเงินซึ่งก็ยังไม่ทราบจํานวนด้วยนะฮะแล้วก็สตาร์รถจักรยานยนต์นีป้ายอันนี้ล่าสุดนะครับผู้ฟังครับปรากฏว่าตํารวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วครับจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ อีกครั้งแล้วนะฮะพอมีการสืบประมาทไปตรวจสอบไปแล้วนะครับเป็นลูกชายของตำรวจนายหนึ่งด้วยอ้างว่าใช้อาวุธปืนของพ่อมาว่าอย่างเง้ยเป็น9มลเมตรนะครับไปก่อเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่าไปติดหนี้การผนันครับคือเจ้าหนี้ผนันเนี่ยไล่ตามทวงหนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหนทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็เลยไปก่อเหตุอาวุธปืนของพ่อว่าอย่างงั้นเพื่อไปจ่อยิง ตัวผู้เสียหายที่อยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วได้เงินไปเพียงแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองฮะดูสิฮะคุณฟังฮะโอ้โหทำไมมันร้ายแรงอะไรสักขนาดนั้นนะครับนำเงินไปเพื่อที่ไปใช้หนี้แล้วตังเหลือยอยู่ประมาณสักสี่้อยบาทนะครับตามรายงานและสุดท้ายแล้วนะฮะคุณฟังฮะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้สอบไปสอบมาครับ เราก็อ้างว่าพ่อคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่าไปเอาอาวุธปืนมาไงนะเรื่องนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลองคิดดู1คือทําไมเอาอาวุธปืนเนี่ยให้ลูกเห็นหรือนะถึงลูกเนี่ยไปหยิบมาเพื่อไปก่อเหตุรายได้2คือเรื่องการติดกับพนานเนี่ยพนานฟุตบอลเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยคือขวานล้างเท่าไหร่ก็กวานไม่หมดคนระับ ยังเห็นอยู่บ่อยๆครับในการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเราเห็นมีการทลายแก๊งทั้งเล็กและใหญ่ครับสุดท้ายแล้วก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเอามาเตือนกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักการสืบต่อยครับช่วงหน้าครับที่ฟังครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ซึ่ง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 อ m u t t NEWS พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์สวัสดีครับคุณฟังครับกลับระสูนช่วงที่สองของรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่นนะครับกับผมทีระเดชงามเหลือ น, นะครับบรรยากาศณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ริม แม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีการจัดงานครับเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติในหลวงรัช ก, กาลที่10บด้วยนะฮะมีการแสดงดนตรีมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของขานยักษ์ครับที่ตอนนี้ผมเห็นเนี่ยมีการตั้งเด่นตระงานให้ในักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติได้ ชิ้นชมผล ง, งานฝีมือศิลปะของคนไทยนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับเรามาติดตามข่าวกันต่อดีกว่าันะบมีเรื่องหนึ่นะครับที่อยากจะเอามาเตือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตบุ๊กนะฮะท่านผู้ทำไมแล้วที่มาถึงอยากจะเอามาเตือนกันเพราะว่ามีคดีหนึ่งนะฮะอยากาให้คนที่เล่น Facebook บ้างเล่น l ลน e แอปพลิเคชันบ้างนให้พึงระวังเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยเราไปแอด เื่อที่จะพูดคุยกับใครนะบางทีเรารู้หน้าครับไม่รู้ใจและไม่รู้ว่าโปรไฟล์ที่เราตั้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่ที่ผมกำลังพูดอยู่ก็คือ s สแก m มเมอร์ครับสแกมเมอร์นั้นคืออะไร s c a m แสแกมเมอร์คือว่าเป็นบุคคลครับก่อเหตุร้ายก่อเหตุไม่ดีคือว่าไปเอารูปภาพของคนอื่นหาได้จากใน Google บ้างนะครับค้นหาภาพแล้วไปสร้างเป็นโปรไฟล์ ปลอมขึ้นมาแอบอ้าง น, นะครับรูปภาพของคนอื่นๆเพื่อที่จะแอบอ้างเป็นตัวเองแล้วก็เลือกเหยื่อครับโดยการที่เข้าไปพูดคุยเจราจากัน่านในโลกออนไลน์อาจจะติดต่อกันผ่านทาง Facebook ก็ได้อาจจะติดต่อกันนะครับจากไลน์แอปพลิเคชันก็ได้หรือโปรแกรมอื่นๆนะฮะเพื่อที่จะไปพูดคุย ย, ยับเหยื่อเลือกเหยื่อะนะครับที่เป็นคนที่มีความมีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนอะไรฮะจุดอ่อนในเรื่องของ อาจจะแบบเรื่องลูกหลางหน้าตาไม่มีความมั่นใจตนเองเนะืเลือกเหยื่อที่มีมเงินมีทองบ้างหน่อยนะครับแล้วก็ช่องบ้างสำคัญเลยคือว่าเลือกเหยื่อที่ขาดความรักครับตรงนี้เนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนครับที่แสแ m มเมอร์เนี่ยใช้วิธีการต่างๆนานาหลอกให้รักหลอกให้หลงนะครับหวานสเสน่ห์พูดคุยกันเริ่มต้นจากการแชทคุยกันก่อน แชทไปแชทมาแชทไปประมาสักสองสเดือนแล้วก็บอกรักทุกวันทุกวันนี้นะฮะพอบอกรักทุกวันครับดังที่เขาพูดกันว่าน้ําหยดลงหินเนี่ยทุกวันนะฮะหินยังกลอดเลยถนะ้ากิบอกมีการบอกรักกันแบบนี้ไปแล้วนะีทุกวันทุกวันครับแล้วเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อะฮะโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆเอารูปภาพฝรั่งมาเหยื่อก็เข้าใจว่าคนที่คุยอยู่นั้นเนี่ยคงเป็นฝรั่งชาวต่างชาติ มีเงินมีทองนะครับถึงขั้นคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมีการตกลงกันว่าจะลงทุนร่วมกันไปยังไงแตอันนะนี้คืออุบายเลยเนี่ยจนมาลงทุนร่วมกันหรืออาจจะ อ, อกอุบายนะครับว่าขอแต่งงานการเดินทางมาแต่งงานกันที่ประเทศไทยได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะผลทรัพย์สินมาด้วยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยัออกอุบายต่อนะครับว่าโอ้ตอนนี้บินมาถึงที่เมืองไทยแล้วผลทรัพย์สินมาด้วยเนี่ยแต่ว่าติดอยู่ที่สุล่านกากรทำยังไงดีล่ะเนะ เนี่ยเจ้าที่เขาเรียกเก็บเงินเนี่ยสองแสนบาทเนี่ยช่วยโอนมาหน่อยเพราะว่าไม่มีเงินไทยเลยว่าอย่างนั้นนะครับนี่พอเหยื่อรักแล้วไงลักแล้วก็หลงเชื่อฮะพอหลงเชื่อปุ๊บโอนเงินไปเลยฮะเสร็จเลยทีนี้นะครับติดกัดครับนะจะไปเอาเงินคืนมาก็ไม่ได้เพราะอะไ ร, รผู้ก่อเหตุบางทีเนี่ยไปก่อเหตุอยู่ที่ประเทศพื่นบ้านครับนะครผมเนี่ยเจอมาหลายคดีแล้วนะครับเคยทาคดีร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับดีไซน์คนนึ่งชื่อว่าพี่นุ้ยเนี่ยครก็เป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะครับก็เคยติดต่อผมมาว่าอยากจะให้ช่วยมีการเปิดโปงเกี่ยวกับบนการแสแคมเมอร์กันสักหน่อยผมก็ยินดีแล้วนะครเพราะว่าเราอยากจะมาเตืนภัยหญิงไทยเราเลยที่ถูกหลอกแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้ น, นะะปรากฏว่าเรื่องสแคมเมอร์เนี่ยผู้ชายเองนะฮะยังถูกหลอกได้เลยสมัยตอนที่ผมอยู่ช่องสามนะคุณฟังครับ ก็มีคนมาร้องเรียนนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปหลอกเขาหลอกให้โอนเงินแล้ววิธีการยังไงไหมครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่จริงจริงแล้วนะเป็นคนที่หน้าตาเนี่ยไม่ได้เหมือนในโปรไฟล์เลยไปค้นหาไปเซิร์ชภาพครับใน Google เอารูปภาพของดาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังครับก๊อปปี้มา แล้วก็มาสร้างโปรไฟล์แอบอ้างว่าเป็นตัวเขานะวิธีการเนี่ยทำเหมือนกันเลยทงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนียนะทาเหมือนกันไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับไงต่อฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะคุยกับเยือครับ เ, เยือเนี่ยมีทั้งบุคคลทั่วไปแม้แต่ดารานักร้องก็ยังมีเลยนะแต่ว่าผมไม่เอ่ยชื่อเลยกันนะว่านักร้องนั้นคือใครนะจ๊ะอ่อา พอเลือกเหยื่อได้แล้วเนี่ยพูดคุยกันเขาก็จะใช้น้ําเสียงครับพูดจาอ่อนหวานมีจิตวิทยานะครับในการพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้เหยื่อนั้นหลงเชื่อได้นะครับสุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วพอเหยื่อติดกลับก็โอนเงินไปหลักการคล้ายกันเลยเหมือนกับสแกมเมอร์ที่เป็นชาวต่างชาติมาหลอกลวงคนไทยแถวาชาวต่างชาตินี่นเป็นคนผิวสีฮะนะเป็นคนผิวสีนะครับอยู่ที่มาเลเซียแหละแล้วเขาก็ใช้อินเทอ ร, ร์เน็ตนะในการพูดคุยกัน ใช้ข้อความเดิมๆคุยหยอดคำหวานพูดจาอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับนีล่าสุดฮะมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ว่าผมอยากจะเล่าหน่อยเพื่มีคนหนึ่งนะฮะแอบอ้างนะครับว่าเป็นหมอราชบัครับแล้วก็เป็นลูกของขบัตบ อ, บ อ, บอขนาดนั้นเลนะแล้วก็หลอกให้มีการแต่งงานมีการพิการ น, นะฮะพอได้เงินแล้วเนี่ยก็มีการปอบเอาเงินล้านหยดหลงนี้ไป ก็มีเพจเพจหนึ่งนะครับแชว่ามีหญิงสาวสูบบุหรี่มุ่นดีมาหลอกคนดังหลายคนใอบอ้างว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ว่าเป็นลูกของข บ, อบอทบอยอย่างนั้นให้หลงรักก่อนที่จาหอบเงินเตรียมจัดงานวิวาเป็นล้านหนีไปโดยที่มีเฟซบุ o กนะฮะแฟนเพจวิกเกลีย์บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีพฤติกรรมต้มตุ๋นครับหลอกลวงเอาเงินจากคนอื่นโดยมีการแอบอ้าง น, นะครับว่าเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็เป็นลูกสาวนายทหารว่าอย่างนั้นะ แล้วก็ได้หลอกลวงสุดเงินจากเหยื่อหลายคนครับมีทั้งคนดังในวงการบันเทิงศิลปินนักร้องนักธุรกิจแล้วก็นักกีฬาด้วยแล้วทางเพจเนีบอกว่ามีนักธุรกิจนะครับตัวหลอกเงินไปเนี่ยสล้านบาทมีนักร้องดังครับตันไปเกือบ2 0,000 นบาทแล้วก็มีนักกีฬาเตรียมจัดงานแต่งงานด้วยนะครับเชิญคนใหญ่คนโตมาเป็นประธานแล้วแต่ว่าก็หนีงานวิวาเชิดเงินไปเป็นเกือบล้านเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะทางเพจวิ๊กเกียนะครั บ, เ, บ, เ, รรบเปิดเผย แชทของสาวคนดังกล่าวครับใช้ภาพไม่ตรงปกนะครับหลอกเกี่ยวว่าเป็นลูกสาวของพบบออะไรอย่างที่ผมบอกไปนะถือว่าก็ใช้วิธีการสร้าง Facebook ให้ดูน่าเชื่อถือรวมไปถึงคือว่าใช้ภาพโปรไฟล์เป็นสาวสวยจนเหยื่อหลายคนเนี่ยหลงเชื่อกันไปนานาวเลยนะฮะแล้วล่าสุดคือว่านับร้องผู้สมัครคนหนึ่งเนี่ยถูกสาวคนดังกล่าวครับทับแชทแล้วก็ในน้าตัวว่าเป็นหมอมราชบงก่อนที่จะมีการใครจับตัวเองเนะีเป็นลูกของพบบอไว้อย่างนั้น คุยการผ่านแชทแล้วก็ดึงเข้าออกรุ๊ปครอบครัวให้ดูหน่าเชื่อถือแล้วก็ขอเงินเนี่ยไปจ่ายค่าต่างๆมาอย่างนะี้นะครับล่าสุดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่คือว่าจับได้แล้วยจับได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อว่าใบาปอแล้ว uh huh. รูปร่างหน้าตาเนี่ยอ้วนตูตะเลยนะเออเจ้าหน้าที่ไปตามจับใต้ครับแล้วที่สารนนทากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงรายงานว่าปฏิการสอบสวน สอนพอระพาชัยได้มีการควบคุมตัวนางสาวนิธิวันหรือว่าใบปออายุ32ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารยากรุงเทพใต้คดีหลอกลวงชายหนุ่มสูญเงินกว่า2ล้าน3แสบาทมายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกครับเป็นวัน12วันตั้งแต่วันที่28 ก, กรกฎาคมนะครับถึง31สิงหาคมเนื่องจากว่าการสอบสวนคือยังไม่เสร็จสิ้นครับต้องมีการ ตรวจสอบเรื่องของการพิมพ์ลายนิว้วมือมีการสอบปักคํนะฮะโดยที่กรณีดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากที่นายพา ร, รานนท์หรือว่านนนะครับโอนบอดอายุ27ปีครับถูกนางสาวนิธิวันหลอกลวงนะครับนำภาพสาวสวยมาแอบอ้างแชทกับชายหนุ่มกระทั่งก็หลงรักครับและก็มีการโอนเงินนะครับให้มานานกว่า2ปีเป็นเงินกว่า2อ0 0 0าานบาทงานสอบสว น, นอพระชาชัย2ครับได้แจ้งกลา ดนคดีฐานช่อโกโดยแสดงตัวตนนะครับเป็นคนอื่นแล้วก็นําเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบรว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2,550 นี้นะครับซึ่งนางสาวไวยป์ปอเนี่ครับถูกจับกลุ่มได้ที่จังหวัดพะเยานะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากการจับกลุ่มครับก็มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอนอพระปลาชายสอนะครับว่าถูกหญิงสาวใช้ปโปรไฟล์ หน้าตาสวยเลยนะฮะซึ่งเขใช้ชื่อว่าใบปอติดต่อพูดคุยกระทั่งหลงลักมาตลอดสปีและก็ระหว่างพูดคุยถึงโอนเงินไปให้500รครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการฝากขังแล้วนะครับฝ่ายผู้ต้องหาไม่ได้มีการยื่นคำร้องแล้วก็รักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วค่ายระหว่างการฝากขังนี้แต่อย่างไดครับเจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงได้มีการควบคุมตัวนักสั่นนิติวันครับไปคุมขังอย่างทางรัชสถานอีกครั้งระหว่างการฝากขังนี้ต่อไปด้วยนะฮะ นี่ก็นำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับให้กับคุณฝั่ฟังด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากผลงานไว้หน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามได้นะครับรายการวันใหม่ไทย P ี b s ทางดิจิทัล HD 3นะครับซึ่งผมก็จัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะวันจุดอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จัดรายการเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรายการร้องวงข่าวนะครับทางไทยพีบีเออนไลน์ครับมีอะไรบ้างฮะมีเฟซบุ o กนะฮะมียู u ูบนะครับแล้วก็ทวิตเตอด้วยพิมพ์คว่าไทยพีบีก็จะเจอ หรือว่าจะพิงค์าำว่าล้อมงข่างก็ได้แล้วก็ฝากเพจของผมไว้หน่อยละกันนะครับเพจนักขาพักษนาหรือว่า y o u t u นะครับช่องเดียวเบอรี่นะฮะวันนี้เนี่ยการขอบคุณนะครับคุณฝางพุมพท่านที่ติดตามและฟังการขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะฮะแล้วันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าและกันนะครับคุณฝางครับมาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันอาทิตย์หรือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากเน้นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะแจ้งให้ท ร, ราบแล้วกันนะครับวันนี้ลาุูดังไมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้ยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ RMUtt News ปิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์ ศาสตรสายวาชิวราประทับแดนแผ่นดินมิ่งควั นิตมิตรบารมีคนสถิตราชธรรมที่สุดรักษาเอกองทรงธรรมรักทดธรรมราชานิ่งขวัญพระองค์ขอทรงพระเจริญเธอ